วันอยู่สงกรานต์ของทุกปีผมจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดเพื่อรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือไปทำบุญที่วัดไหว้อัฐิญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งบรรจุไว้ในเจดีย์เล็กๆข้างโบสถ์ที่วัดไปวัดครั้งใดก็นึกถึงสมัยเป็นเด็กทำให้นึกถึงย่าเมื่ อ, อยังเล็กๆผมใกล้ชิดกับย่าชอบฟังเรื่องราวเก่าๆที่ย่าเล่า คุณย่าของผมเกิดในสมัยรัชกาลที่หซึ่งตอนย่ายังเด็กเคยเห็นพระเจ้าแผ่นดินตอนท่านเสด็จมาทางเรือแะเสวยพระกรยาหารที่ท่าน้ำที่วัดมีเจ้านายมากันหลายองค์ขบวนเรือที่มาคราวนั้นมีหลายลำที่เป็นขบวนใหญ่พอสวยเสร็จท่านก็มีพระราชปฏิสันฐานกับราษดรที่ไปคอยเข้าเฝ้าพวกเด็ก จะได้รับพระราชทานเสมาเงินบางๆที่มีพระปรมาพิไทยย่อดจาอปลรซึ่งญาได้รับมาอันหนึง่งญาบอกว่าเสมาพระราชทานนั้นศักดิ์สิทธิ์มากเพราะได้รับมาจากพระหัตถ์ของในหลวงเด็กคนไหนขี้โรคงอแ ง, ง, งพวกผู้ใหญ่ก็จะเอาเสมาผูกเชือกให้คล้องคอเสมานี้คนสมัยนั้นอยากได้กันมาก คุณย่าบอกว่าบางบ้านมีลูกหลายคนแต่มีเสมาอยู่อันเดียวก็ต้องผลัดกันคล้องคนละวันก็มีผมได้ทราบจากหนังสือเมื่อผมโตแล้วว่าท่ยาเล่าให้ฟังเป็นการเสด็จประพาสต้นของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในช่วงท้ายรัชกาลราวพุทธศักราช2449ซึ่งได้เสด็จที่แม่น้ำอำเภอบ้านผมตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมศึกษาเรื่องการเสด็จประพาสต้น เป็นหนังสือเรียนด้วยผมอ่านที่ไรก็นึกถึงที่ย่าเคยเล่าทุกทีไปคุณย่าของผมเป็นคนธรรมะธรรมโมเช่นเดียวกับคนแก่ในต่างจังหวัดทั่วไปซึ่งในวันพระคุณย่าจะไปรักษาอุโบสถศีลที่วัดผมก็ชอบตามคุณย่าไปด้วยเพราะว่าที่วัดนี่มีเด็กวัดที่รุ่นราวคราวเดียวกันกับผมหลายคนทั้งยังมีอะไรให้เล่นสนุกมากมาย วัดที่ย่าไปทุกวันเป็นวันพระจะเป็นวัดเก่าแก่ประจำที่อำเภอติดกับฝั่งแม่น้ำจะมีลานกว้างและต้นไม้ใหญ่จำพวกมะม่วงกระท้อนอยู่หลายต้นถึงหน้ามะม่วงผมจำได้ว่าสนุกกันนักพอพวกผู้ใหญ่ขึ้นไปรับศีลฟังเทศกันบนศาลาพวกเราเด็กๆก็จะพากันวิ่งเล่นบางทีก็เก็บมะม่วงมาจิ้มพริกกับเกลือต้นมะม่วงที่วัดแต่ละต้นเห็นจะมีอายุหลายสิบปีต้นสูงใหญ่เด็กๆปีนไม่ได้ เด็กวัดบางคนก็เลยลองปีนขึ้นไปแต่ก็ต้องรีบลงมาเพราะว่ามดแดงชุมนักวิธีการเก็บมะม่วงของพวกเราก็คือหากิ่งไม้ที่เหมาะมือขนาดยาวประมาณหนึ่งคืบกว่าขว้างพวงมะม่วงให้ลูกตกลงมาวิธีนี้ได้ผลดีแต่ว่ามะม่วงส่วนใหญ่หล่นลงมาแตกหมดบางครั้งไม้ที่คว้างพลาดไปลงหลังคาศาลาวัดพวกผู้ใหญ่ก็มาดุก็เลยเลิกกันไป การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งในวัดที่ผมจําได้นั่นก็คือการลงไปเล่นน้ําที่แม่น้ําหน้าแลง้งราวเดือนเมษายนระดับน้ําต่ํากว่าจากรตลิงหน้าวัดหลายเมตรและก็มีหาดทรายอยู่ริมน้ําพวกเรามักจะลงไปวิ่งเล่นริมแม่น้ําเบื่อเข้าก็ลงว่ายน้ําแต่ว่าพวกผู้ใหญ่สั่งไม่ให้ว่ายไปตรงกลางแม่น้ําเพราะว่าน้ําลึกและก็ไหลแรงช่วงเดือนเมษายนเป็นเวลาที่สนุกมากสําหรับผมในวัยเด็กโรงเรียนกําลังปิดเทอมใหญ่ ได้หยุดนานถึง2เดือนพอถึงสงกรานต์ก็ได้เล่นสาดน้ากันห่างจากวันสงกรานต์สักสองสาวันที่วัดก็จะมีการก่อพระเจดีทรายกับสงน้ำพระวันนั้นพระสงฆ์ที่วัดมานั่งที่เก้าอี้กลางลานวัดเรียงตามลำดับพรรษาพวกชาวบ้านก็จะเข้าไปรดน้าน้ำที่จะใช้รดนี่ก็จะผสมกับน้ำอบน้ำหอมบางทีคนก็ใช้น้าลอยดอกมะลิ สำหรับบ้านเรานี่ใช้ขันเงินใบโตใส่น้ำที่ผสมน้ำอบไทยมีจอกเงินเล็กๆสำหรับส่งน้ำพระตอนก่อพระเจดีทรายพวกเราก็ต้องพากันไปขนทรายจากชายหาดริมแม่น้ำมาคนละถุงสองถุงคุณพ่อบอกว่าต้องไปขนมาเองจึงจะได้บุญมากวันนั้นทั้งวันก็จะเล่นสาดน้ำกันสนุกไม่มีใครถือสากันที่วัดนี้เองที่ผมเห็นคนตายเป็นครั้งแรกในชีวิต วันหนึ่งมีคนเอาศพมาไว้ที่พื้นหน้าโบสถ์เป็นศพที่เพิ่งตายเขายังไม่ได้เอาใส่ลงมีผ้าขาวคลุมไว้พวกเราเด็กๆอยากเห็นว่าคนตายเป็นอย่างไรก็พากันไปดูตอนนั้นพวกผู้ใหญ่อยู่บนศาลาวัดกันหมดผมเนี่ยเป็นหัวโจกใจกล้ากว่าเพื่อนรับอาสาเป็นคนเปิดผ้าคลุมจําได้ว่าศพนั้นหน้าซีด ผมรู้สึกกลัวมากจำได้ติดตาว่าเห็นมดแดงไต่ออกมาทางรูจมูกของศพนั้นเป็นแถวรีบปิดผ้าคลุมไว้อย่างเดิมพอไปเล่าให้ย่าฟังคุณย่ากลับบอกว่าไปกลัวอะไรเราตายแล้วกว็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดแต่ว่ามันน่ากลัวนะย่าผมเถียงเด็กๆ เ, เข้ามาให้ดูศพดูแลจะติดตาไปไปไปเอาน้ำมนต์ในโบสถ์มาลูบหน้าซะผมก็เข้าไปในโบสถ์ทำอย่างที่ย่าสั่ง พอตอนสายๆพวกช่างไม้มาต่อโลงศพผมก็ไปยืนดูผู้ใหญ่เ้าทำงานกันต่อโลงเสร็จสับพวกช่างก็เอาเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการต่อโลงเช่นค้อนเลื่อยสิวมาวางเรียงกันแล้วก็เอาน้ำใส่ขันจุดเทียนท่องคาถาทำน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำมนต์ในขันพรมเครื่องมือเหล่านั้นผมไปถามเขาถึงเรื่องของการทำตอนเสร็จพิธีแล้ว พวกช่างไม้บอกว่าเขาเรียกว่าน้ำมนทรณีสารที่ต้องพรมก็เพราะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการต่อลงผีเนี่ยถือว่าเป็นอัปมงคลเอาไปทํามาหากินไม่ขึ้นเป็นความเชื่อของพวกช่างไม้รุ่นเก่าๆคุณย่าของผมไปวัดบ่อยบางครั้งก็ค้างที่วัดครั้งละสองสามวันพอย่าอายุมากเข้าพ่อก็เห็นว่าการไปนอนบนศาลาวัดรวมกับคนแก่อีกหลายคนนั้นไม่ค่อยสะดวกสําหรับย่า พ่อจึงไปสร้างบ้านหลังเล็กๆบนที่ว่างริมรั้ววัดให้คุณย่าไปพักอยู่ตอนรักษาศีลหลวงปู่เจ้าอาวาสท่านก็อนุญาตเพราะว่าบ้านของเราเนี่ยอุปถากพระวัดนี้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่บางครั้งผมก็นอนกับย่าที่วัดในบ้านหลังนี้ซึ่งอันที่จริงก็ไม่ควรเรียกว่าบ้านเพราะว่ามีเพียงห้องเดียวเหมือนกุฏิพระและสมัยนั้นที่วัดยังไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนกลางคืนจึงวังเวงดูน่ากลัว ต่อมาผมเข้าเรียนหนังสือในกรุงเทพเวลากลับมาบ้านย่าไปวัดผมก็ชอบตามย่าไปช่วยย่าถือตะกร้าหมากแล้วก็หิ้วปิ่นโตกับข้าวที่เอาไปถาไวายพระที่วัดพวกเด็กวัดที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกันมาก็ เ, าเปลี่ยนหน้าไปบ้างแต่ก็มีเด็กวัดรุ่นใหม่ๆเข้ามาอยู่เสมอโบสถ์ที่วัดอยู่ตรงกลางลานฝั่งตรงข้ามกับศาลาด้านหลังโบสถ์มีเชิงตะกอนเผาศพติดกับป่าช้าตรงป่าช้าซึ่งมีหลุมฝังศพเป็นที่ร่มรื่นมาก มีต้นศักใหญ่ๆอยู่หลายต้นแต่ว่าพวกเราเด็กๆไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นที่นั่นตามต่างจังหวัดในสมัยก่อนนั้นเวลาที่มีคนตายด้วยเหตุอื่นๆที่ไม่ใช่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะใช้วิธีการฝังศพส่วนพวกที่เจ็บไข้าตายก็จะใช้วิธีการเผาคนที่ตายโหงเขาไม่เผากันหรอกพวกผู้ใหญ่เคยบอกอย่างนั้นตอนผมเด็กๆเวลามีการเผาศพที่วัดเขาก็จะเผากันสดๆไม่มีเมนปูนปั้น เป็นเตาอย่างวัดทุกวันนี้โดยจะเอาฟืนกองสูงแล้วก็วางศพไว้ข้างบนซึ่งเป็นเรื่องน่ากลัวมากสำหรับผมพอเขาจุดไฟแล้วส่วนมากแขกที่มางานก็จะทยอยกันกลับยังคงเหลือเพียงแค่สับ ป, ปะเลอที่จะต้องคอยดูไฟแล้วก็คอยจัดการกับกระดูกก่อนจะเผาเมื่อเอาศพออกจากโงสับ ป, ปเลอจะเชาะน้มามะพร้าวที่เตรียมเอาไว้เอาน้มามะพร้าวล้างหน้าศพก่อนเวลาเขาเผาศพเสร็จ ตอนเช้าสับปะเลอะก็จะเก็บกระดูกเสร็จสัพพวกเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดมักจะไปเก็บเงินเหรียญบาทตรงที่เผาศพเหรียญจากปากศพนี้เวลาเผาศพแล้วก็จะอยู่ในกองขี้เท่าต้องไปคุ้ยเขี่ยหากันดีๆผมเคยถามว่าเอาเหรียญไปทำอะไรเผาไฟสะดำปื๋เชียวเอาไปซื้อขนมก็คงไม่มีใครรับหอมึงอ่ะไม่รู้อะไรหรอกเงินปากผีเนี่ยคลังมาก เอาไปให้หลวงพ่อเก่งๆปลูกเศษ ก, กันปืนได้นะเว้ยเด็กวัดคนหนึ่งพูดแต่ว่าผมก็ไม่เคยคิดที่อยากจะได้ตรงข้างโบสถ์ติดกับป่าช้ามีสารอยู่แห่งหนึ่งอยู่ที่ใต้ต้นสักใหญ่ซึ่งเป็นสารไม้เหมือนสารพระภูมิขนาดใหญ่มีคนเอาเครื่องบูชาไปวางไว้มากมายพวกผู้ใหญ่บอกว่าเป็นสารเสื้อวัดคุณย่าอธิบายว่าเสื้อวัดก็คือเจ้าที่ในวัดซึ่งเป็นผู้ดูแลวัดพวกเด็กวัดกลัวสารนี้มาก ไม่มีใครกล้าไปเล่นไกลๆบางคนเล่าว่าตอนดึกๆเคยเห็นคนแก่นุ่งห่มขาวเดินไปมาบางทีก็เดินรอบบริเวณวัดเด็กวัดคนหนึ่งเล่าว่านานมาแล้วมีขี้ยาเข้ามาขโมยของในวัดซึ่งมาในตอนกลางคืนขึ้นไปบนศาลาหยิบตะเกียงเจ้าพายุกับเชิงเทียนทองเหลืองอีกคู่หนึ่งไปปรากฏว่าเดินวนอยู่ในวัดจนถึงเช้าหาทางออกไม่ได้จนพระที่จะไปบิณฑบาตตอนเช้ามาพบเข้า ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเป็นฝีมือของเสื้อวัดคุณย่าเป็นคนแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้พออายุ82คุณย่าก็ไม่สบายช่วงนั้นเป็นช่วงโรงเรียนปิดผมได้กลับไปอยู่บ้านคุณหมอบอกว่าย่าเป็นโรคคนชราคุณย่าเจ็บอดๆแอดๆได้สองอาทิตย์พ่อบอกว่าจะทำบุญต่ออายุให้ยา่าผมถามพ่อว่าการทาบุญเลี้ยงพระจะต่ออายุได้อย่างไรคนบ้านเราเนี่ยเขาเชื่อกันอย่างนั้น พ่ออธิบายถึงวันทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านแม่ตื่นเช้าไปซื้อของที่ตลาดมีญาติญาติมาช่วยกันทำกับข้าวเตรียมงานกันอีกหลายคนพวกผู้ชายก็ไปขอยืมเครื่องใช้ในการทำพิธีจากวัดเช่นบาทน้ำมนต์แล้วก็อาสนะพระพอพระสวดแล้วก็ฉันเพลงเสร็จแล้วก็มีการสวดมนต์ต่ออายุผมได้เห็นพิธีอย่างใกล้ชิดก็ยังจาได้ถึงบัดนี้ว่าพระท่านสวดมนต์ยาวมากพ่อบอกว่า บทสวดที่ใช้ต่ออายุบทหนึ่งชื่อว่าพุทชังคัปปริตใครสวดก่อนนอนทุกวันจะอายุยืนไม่มีโรคภัยผมจำได้ว่าขึ้นต้นด้วยพุทชังโคสติสังคาโตและก็มีบทอื่นๆอีกล้ายบทพอพระสวดมนต์เสร็จมีการพิธีบังสุกุลเป็นให้ญาที่นอนเหยียดยาวเอาผ้าขาวคลุมเหมือนศพแล้วก็เอาผ้าบังสุกุลวางไว้ข้างๆตัวญา จากนั้นก็นิมนต์พระเข้าไปชักผ้าบาังสุกุลเหมือนในพิธีศพพอพระกลับพวกที่มาร่วมงานก็รับประทานอาหารจากนั้นก็คุยกันอยู่จนถึงบ่ายวันนั้นมีญาติจากต่างอำเภอมากันหลายคนบางคนนี่มาจากที่ไ ก, กลๆก็มาค้างกันที่บ้านคุณแม่จัดให้พักในห้องนอนชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนเก่าของผมตั้งแต่ตอนย้ายไปกรุงเทพห้องนี้จึงว่างอยู่และใช้เวลาที่ผมกลับมาเยี่ยมบ้านเท่านั้น ส่วนผมมาบ้านคราวนี้ก็ย้ายลงไปนอนในห้องโถงชั้นล่างหน้าห้องนอนของยา่าจนคุณย่านอนหลับไปผมจึงออกมานอนหลังจากทำพิธีบุญแล้วรู้สึกว่าย่าดูแข็งแรงขึ้นคืนนั้นคุณย่าเข้านอนเร็วมากผมนั่งทำกันบ้านอยู่จนดึกจนเสียงพ่อกับแม่แล้วก็ญาติที่มาพักคุยกันอยู่ข้างบนเงียบเสียงไปนานพอสมควรผมก็ปิดไฟนอน ห้องโถงที่ผมนอนอยู่นั้นไม่ได้มืดสนิทสัทีเดียวแต่ว่ามีแสงไฟฟ้าดวงเล็กในสนามที่เราเปิดทิ้งไว้ตอนกลางคืนส่องเข้ามาทางหน้าต่างที่ผมเปิดไว้เพราะว่าลมพัดเย็นสบายเตียงนอนของผมอยู่ริมสุดของห้องโถงห่างจากประตูห้องนอนย่าสัก5าเมตรในขณะที่กำลังเคลิมเคลิมนั่นเองผมได้ยินเสียงคนพูดกันที่หน้าต่างห้องนอนญ้าเบ า, เบาๆเข้าใจว่าพ่อลงมาดูญ้าใช่แน่นะ เป็นเสียงผู้ชายที่ฟังดูมีอำนาจแต่ว่าไม่ใช่เสียงพ่อไม่ใช่เสียงลุงทัศกับป้าสีที่มาค้างที่บ้านเราไม่ผิดตัวแน่นางถมอายุ82ปีอีกเสียงหนึ่งตอบผมพยายามเงยหน้าขึ้นมาดูรู้สึกตัวแข็งไปหมดมือเท้าขยับไม่ได้จะรองเรียกพ่อกับแม่ก็พูดไม่ออกแปลกใจว่าใครกันเข้ามาได้อย่างไร เพราะว่าแน่ใจว่าปิดประตูลงกรอนกับมือเมื่อตอนหัวขําแล้วผมรวบรวมกําลังเงยหน้าขึ้นมองผ่านปลายเท้าไปทางห้องย่าจากแสงสลัวของไฟสนามที่ส่องเข้ามาผมเห็นผู้ชายสองคนยือนอยู่หน้าประตูห้องนอนคุณยา่าหันหลังมาทางผมทั้งสองคนนุ่งผ้าแดงจงกระเบนอย่างที่ผมเคยเห็นคนแก่นุ่งไม่สวมเสือ้อรูปร่างสูงใหญ่ทั้งคู่หมดอายุวันนี้พอดีถึงเวลาแล้ว รีบพาไปคืนนี้ยังมีอีกรายเสียงพูดดังมาอีกผมตกใจพยายามร้องตะโกนเรียกพ่อกับแม่แต่อ้าปากไม่ออกผมมองไปอีกครั้งชายสองคนนั้นเดินผ่านประตูที่ปิดอยู่เข้าไปในห้องของคุณย่าคุณพระช่วยลูกด้วยผมพยายามลุกขึ้นแต่ก็เหมือนเรียวแรงในตัวไม่มีเหลืออยู่แม้แต่น้อยพักเดียวชายสองคนนั้นก็เดินกลับออกมาคราวนี้ผมเห็นถนัด คนนึงผมหยิกหน้ากรอสวมสร้อยคอเหมือนลูกประคำท่าทางดุดันอีกคนนึงผมเรียบแปงมือถือไม้ตะโพธิสั้นๆดูท่ามีอำนาจกว่าคนผมหยิกทำไมไม่บอกว่าเขาทำบุญต่ออายุเล่าเสียงคนมีอำนาจพูดดุดลูกหลานเพิ่งทำให้กันวันนี้ตัวเขาเองก็ทำบุญสุนทานไว้มากผมได้ยินอีกคนนึงตอบอย่างนั้นก็ต้องให้ตามที่พระขอให้ปีหนึ่ง ผลัดจากนี้ผิดกฎจะเกิดวุ่นวายกันใหญ่ชายคนแรกพูดออกนำหน้าเดินไปที่เตียงที่ผมกำลังนอนซะด้วยผมกลัวจนต้องหลับตาปะ่ะรีบไปรับอีกคนนึงเดี๋ยวจะเลยเวลาเสียงชายมีอำนาจออกคำสั่งนายชมอายุ62หน้าวัดบ้านม่วงอีกเสียงหนึ่งพูดผมขนลุกสู้รู้สึกกลัวจนตัวสั่นอยากลุกหนีไปจากตรงนั้นแต่ก็ยังขยับตัวไม่ได้ ผมรวบรวมความกล้ารีตาขึ้นมองสองคนนั้นเดินเฉียดข้างเตียงนอนผมไปอย่างเร็วโดยไม่ได้สนใจหันมามองทางผมแม้แต่น้อยแล้วก็พากันเดินผ่านผนังออกไปทางสนามผมได้ยินเสียงหมาเห่ากันโชคอยู่พักนึงก็เงียบเสียงลงผมนอนอยู่สักครู่ก็พยายามพลิกตัวลุกขึ้นอีกครั้งแต่หน้าแปลกใจที่พอสองคนนั้นเดินออกไปผมกลับมีแรงขึ้นแต่ว่ากว่าจะลุกขึ้นได้ก็รู้สึกเหนื่อยแทบขาดใจ ผมเดินไปแง้มประตูห้องนอนคุณย่าเห็นคุณย่านอนเงียบอยู่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติเดินขึ้นบันไดเรียกพ่อกับแม่ผมเล่าเหตุการณ์ที่เห็นไปเมื่อสักครู่ให้พ่อกับแม่ฟังสังเกตเห็นว่าพอได้ยินพ่อก็มีท่าตกใจแต่ก็วางสีหน้าเฉยฝันร้ายน่ะลูกแม่พูดแล้วก็เอามือลูบหัวพ่อบอกว่าเล่นกับเด็กที่วัดมากหลอกกันซสื้อจนกลัวเก็บเอามาฝันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะลูก พ่อสั่งผมพยักหน้ารับมองไปทางห้องนอนที่ลุงทัศกับป้าสีพักเห็นปิดประตูเงียบก็คงหลับสบายคืนนั้นผมย้ายขึ้นมานอนที่พื้นข้างเตียงนอนแม่เห็นภาพผู้ชายสองคนนั้นติดตาจนนอนหลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นคุณย่าตื่นแต่เชา้าท่าทางแข็งแรงกินข้าวได้มากตอนกินข้าวเชาว้าพ่อกับแม่ไม่ได้พูดเรื่องเมื่อคืนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลุงทัดกับป้าสีที่มาค้างบ้านเรากลับไปตอนสายๆผมไปนั่งคุยเป็นเพื่อนคุณย่าแต่ก็ไม่ได้ปริีตากเรื่องเมื่อคืนเพราะว่าคุณพ่อสั่งห้ามไว้ตอนเย็นคนข้างบ้านมาบอกพ่อกับแม่ว่าเมื่อคืนตาชมคนที่บ้านม่วงเนี่ยเป็นลมตายเขารถน้ําศพกันวันนี้ที่วัดผมแอบสังเกตดูพ่อกับแม่สะดุ้งนิดนึงแล้วก็มองหน้ากันแต่ก็พยายามกลบเกลื่อนไม่ให้ผมเห็น ส3าวันต่อมาย่าก็แข็งแรงเหมือนตอนก่อนไม่สบายขอให้แม่จัดปิ่นโตไปวัดในวันพระเหมือนที่เคยทำพ่อบอกว่าขอให้พักให้หายดีซะก่อนพ่อกลัวย่าจะไม่สบายอีกแม่สบายดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงรอกคุณย่ายืนยันพร้อมกับหน้าตาสดใสผมจะถือปิ่นโตให้ย่าเองครับผมอาสานึกในใจว่าจะได้เล่นสนุกที่วัดอีกเพราะไม่ได้ไปซะนานตั้งแต่ย่าไม่สบาย ผมไปวัดกับยา่าได้อีกวันพระเดียวก็ถึงเวลาโรงเรียนเปิดก็ต้องกลับไปอยู่กับคุณยายที่กรุงเทพลืมเรื่องต่างๆซ้าสนิทได้กลับไปบ้านอีกตอนโรงเรียนหยุดคุณย่าแข็งแรงดีพ่อบอกว่าบางวันย่าเดินไกลถึงตลาดตอนย่าเสียชีวิตผมจําได้แม่นว่าผมอยู่ชั้นมัธยมปีที่หนึ่งแม่เล่าว่าวันที่ย่าจะเสียนั้นคุณย่าเข้าน อ, นอนตามปกติ รุ่งขึ้นแม่เห็นว่าย่าตื่นสายผิดสังเกตก็เลยไปเรียกย่าก็พบว่าย่าหมดลมมาแล้วตั้งแต่ตอนกลางคืนผมร้องไห้อยู่หลายวันคุณยายแล้วก็นา้านาจากกรุงเทพขึ้นมาช่วยงานศพคุณย่าผมลาโรงเรียนมาบวชเน้นหน้าศพให้ย่าในคราวนั้นด้วยบ้านหลังเล็กที่วัดพอย่าตายพ่อก็รื้อถวายวัดแต่ว่าน่าแปลกว่าวันที่ย่าเสียชีวิตห่างจากวันที่ผมเห็นผู้ชายสองคนมาที่บ้านของเราครบหนึ่งปีพอดี แต่พ่อกับแม่ไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นกับผมอีกเลยทุกวันนี้เวลาผมกลับไปบ้านเกิดผมคิดถึงยาและก็เรื่องต่ออายุเสมอ